5. เฝ้าระวังรักษาจิตผู้ที่ปรารถนาจะรักษาการปฏิบัติของตนควรจะเฝ้าระวังรักษาจิตของตนให้ดีการปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยาก หากปราศจากการเฝ้ารักษาจิตที่ชอบหวันไหวอยู่เป็นประจำช้างป่าตกมันยังไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกเท่ากับช้างคือจิตในอเวจีที่ปล่อยเพ่นพ่านแต่หากช้างคือจิตได้ถูกล่ามดีแล้วด้วยโซ่คือสติเมื่อนั้นอันตรายทั้งหลายก็จะหมดไป และความสงบสุขก็จะบังเกิดขึ้นเสือสิงช้างหมีงูศัตรูทั้งหลายนายนิระยะบานพูดผีปีศาจ ต, ต่างก็ถูกควบคุมได้โดยการควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตได้เพียงอย่างเดียวก็ควบคุมได้ทั้งหมด พระผู้รู้ได้ทรงตรัสไว้ว่าความหวาดกลัวและทุกข์ทั้งปวงล้วนเกิดไปจากจิตใครเล่าที่เป็นผู้ขยันสร้างอาวุธร้ายแห่งนรกใครเล่าที่คิดสร้างพื้นเหล็กอันร้อนแดงแล้วหญิงเหล่านั้นมาจากไหนกันพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทั้งหมดนั้นล้วนเกิดมาจากจิตอันชั่วช้า ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรในโลกทั้งสามที่จะน่ากลัวเท่ากับจิตทานบารมีนั้นหมายเอาจิตที่ตั้งใจเสียสละทุกสิ่งออกรวมทั้งผลบุญที่เกิดให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปลาหรือสัตว์อื่นๆจะจับมาได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถฆ่ามันได้จิต ที่ปล่อยวางแล้วย่อมเป็นบ่อกเกิดแห่งศีลบารมีอันสมบูรณ์ข้าพเจ้าจะกําจัดผู้คิดร้ายต่อข้าพเจ้าซึ่งมีมากมายไม่สิ้นสุดดุดอากาศให้หมดไปได้อย่างไรแต่เมื่อจิตโทสะในใจข้าพเจ้าถูกขจัดศัตรูทั้งหลายก็ถูกขจัดออกไปด้วยเช่นกัน จะหาผืนหนังที่ไหนที่จะใหญ่โตพอจะคลุมโลกได้แต่โลกทั้งใบกลับคลุมได้ด้วยเพียงผืนหนังรองเท้าของข้าพเจ้าเท่านั้นเช่นกันข้าพเจ้าไม่สามารถจะควบคุมปรากฏการณ์ภายนอกทั้งหลายได้แต่ข้าพเจ้าสามารถควบคุมจิตใจของข้าพเจ้าได้แล้วจะมีความจำเป็นอันใด ที่จะต้องไปควบคุมสิ่งอื่นๆผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตของตนอันเป็นสิ่งลี้ลับและเป็นแก่นแท้ของธรรมทั้งปวงแม้นจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็เปล่าประโยชน์มันไม่สามารถช่วยกำจัดทุกข์หรือหาความสุขที่แท้จริงได้เลยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้า จึงสมควรฝึกจิตของตนให้ดีเฝ้าระวังรักษาจิตยอยู่เสมอทันทีที่ข้าพเจ้าละเลยปณิธานที่จะรักษาจิตแล้วปณิธานอื่นๆจะมีประโยชน์อันใดต่อข้าพเจ้าได้อีกข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ผู้ที่ปรารถนาจะเฝ้ารักษาจิตของตนจงเพียรรักษาสติและสัมปะชัญญาอยู่เสมอ แม้ผู้ที่ศึกษามากมีศรัทธาและความเพียรอันเลิศก็ยังมัวมองไปด้วยกิเลสหากปราศจากซึ่งการเฝ้าสังเกตอาการของจิตตนอยู่เสมอโจรกลุ่มนี้อันได้แก่กิเลสเครื่องมัวมองทั้งหลายจะเฝ้ามองหาทางเข้าและเมื่อมันพบมันจะเข้าปล้นสะดม และทำลายชีวิตในสุขติภูมิเสียสติ mindfulness การมีความรู้สึกอยู่ที่ตัวสังเกตรู้อาการของกายและจิตตามที่มีอยู่สัมปะชัญญะ introspection คือการเข้าใจปรากฏการของกายและจิตนี้ตามเป็นจริงที่มันกำลังปรากฏ ดังนั้นสติต้องไม่เคลื่อนออกจากประตูแห่งจิตเลยหากมันเผลอไผ่ไปควรรีบกลับมาอยู่ที่เดิมโดยเร็วโดยการนึกถึงความทุกข์ทรมานในนรกสติจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะการได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์การเคารพเชื่อฟังมันระลึก และทำตามคําสอนอยู่เสม อ, อย่ามเมื่ออยู่ในความกลัวพระพุทธเจ้าทั้งหลายและองค์พระโพธิสัตว์ล้วนมีการรับรู้อย่างกว้างขวางไปในทุกทิศทุกทางโดยไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในการรับรู้ของท่านตัวข้าพเจ้าเองก็กําลังยืนอยู่ต่อหน้าพระพักท่าน การตระหนักเช่นนี้บุคคลย่อมบังเกิดความตื่นตัวเคารพและเกรงกลัวอันจะนำมาซึ่งสติที่แนบแน่นจงหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าในทํานองเช่นนี้อยู่เสมอ <recognizable> เมื่อมีสติที่ถูกต้องเป็นยามเฝ้ารักษาประตูแห่งจิตสำปะชัญญะย่อมบังเกิดขึ้นตามมา และเมื่อมันบังเกิดขึ้นสติจะไม่หลุดได้ง่ายเบื้องตน้นฉันไมกจะทำให้จิตเป็นดังที่กล่าวมานี้ก่อนเสมอและคงอยู่อย่างนิ่งเฉยเหมือนกับไม่มีการรับรู้สิ่งใดราวกับท่อนไม้จงอย่าสอดสายสายตาไปรอบๆโดยไม่มีจุดประสงค์เธอจงสำรวม และชำเลืองมองลงต่ำคล้ายในการนั่งสมาธิแต่ยังไรก็ตามเธอควรมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวเพื่อผ่อนคลายไม่ให้เกิดการเพ่งจ้องจนเกินไปหากสังเกตเห็นแม้เพียงเงาของผู้อื่นผ่านมาจงเงยหน้ามองขึ้นเพื่อต้อนรับ เพื่อที่จะตรวจตราดูอันตรายบนถนนและอื่นๆเธอควรมองไปรอบๆในทิศทั้งสี่เพียงชั่วขณะยามเมื่อหยุดเธอควรมองออกไปไกลๆและมองไปข้างหลังยามเมื่อจะหันหลังกลับเมื่อจะไปต่อข้างหน้าจงมองข้างหน้าเมื่อจะไปข้างหลังจงมองข้างหลังเช่นนี้แล้ว ในทุกๆสถานการณ์เธอจะตระหนักรู้ว่าเธอต้องทำอะไรก่อนที่เธอจะทำเสมอให้รู้เท่าทันว่ากายกำลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำในสิ่งที่ทำอยู่มันย่อมทําให้เธอรู้เท่าทันอิริยาบถและอาการต่างๆของกายอยู่เป็นประจำด้วยวิธีนี้ ช้างตกมันคือจิตจะถูกเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องดังนั้นมันจึงไม่อาจหนีหายไปไหนได้เนื่องเพราะผูกไว้กับเสาหลักใหญ่คือความตรึกในธรรมเธอควรจะพิจารณาจิตของเธอด้วยวิธีการเช่นเดียวกันตระหนักรู้อยู่เสมอว่าจิตกำลังเป็นอย่างไร ดังนี้แล้วมันจะไม่หลุดออกจากหลักแห่งสมาธิเลยแม้แต่ชั่วขณะหากเธอไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ในกรณีที่เผชิญอันตรายหรือมีงานรื่นเริงเธอควรทำตัวให้ผ่อนคลายท่านกล่าวว่าในเวลาที่บําเพนทานศีลอาจระงับไว้ได้ชั่วคราว เมื่อรู้ว่าสิ่งใดจำเป็นที่จะต้องกระทำเธอจงตั้งใจแน่วแน่ในสิ่งนั้นไม่ควรไปสนใจในสิ่งอื่นจนกว่าจะทำสำเร็จด้วยวิธีการนี้งานทุกอย่างจะสำเร็จด้วยดีมีเช่นนั้นแล้วเธอจะไม่ได้อะไรเลยและกิเลสคือการไม่ระวังรักษาจิตตน กลับจะเพิ่มขึ้นเธอควรขจัดความอยากที่จะพูดคุยในเรื่องไร้สาระที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆและควรงดเว้นจากการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลเมื่อจะพูดหรือกระทําสิ่งใดเธอควรจะดูใจของเธอก่อนแล้วจึงกระทําด้วยใจที่สงบ เมื่อเห็นว่าจิตของตนยึดติดหรือขัดเคืองอยู่ไม่ควรพูดหรือกระทําสิ่งใดออกไปแต่ควรนิ่งสงบราวกับท่อนไม้เมื่อจิตของฉันบังเกิดความยะโสโอหังเยอะหยันผู้อื่นเต็มไปด้วยความถือดีทนงตนและเย่อหยิ่งจองหองหลบหลีกหลอกลวง ไม่ซื่อสัตว์หรือเมื่อมันมีแนวโน้มที่จะคุยโวโอ้อวดหรือดูถูกผู้อื่นหรือหงุดหงิดขัดเคืองฉันจะพยายามสงบนิ่งไว้ราวกับท่อนไม้เมื่อจิตของฉันบังเกิดความอยากในลาบยศสรรเสริญหรือฆ่าทาตบริวารฉันจะนิ่งสงบราวกับท่อนไม้ ไม่ตอบสนองมันเมื่อจิตฉันรู้สึกขุ่นเคืองต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นและสแสวงหาแต่ผลประโยชน์เข้าตนหรือเมื่อมันปรารถนาจะพูดกับคนอื่นด้วยความละโมบฉันจะนิ่งสงบราวกับท่อนไม้เมื่อจิตมันไม่อดทนเกียดคร้านหวาดวัน ยะโสอวดดีขี้คุยหรือลำเอียงในสิ่งที่ตนชอบฉันจะนิ่งสงบราวกับท่อนไม้เมื่อรู้เท่าทันว่าจิตนั้นมัวหมองหรือจมอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ปฏิบัติควรจะควบคุมมันให้ได้เสมอด้วยยาแก้ของมันอันได้แก่ ความเชื่อมั่นแ น, แน่วแน่หนักแน่นและมั่นคงความเคารพอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเอื้อเฟื้อความสงบสงเงี่ยมถ่อมตนและเสียสละเพื่อผู้อื่นเมื่อต้องประสบกับบุคคลที่ไม่น่าพึงพอใจเธอไม่ควรทุกข์ใจหรือขัดเคืองแต่ควรให้ความเมตตาเขา โดยตรหนักว่าที่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะใจของเขาตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสเครื่องมัวหมองในการกระทำในสิ่งดีงามทั้งเพื่อตนและผู้อื่นเธอควรจะตระหนักไว้เสมอว่าเธอมิได้มีตัวตนราวกับเธอเป็นเพียงภาพมายาจงจดจำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า หลังจากเพียรพยายามมายาวนานในที่สุดความอิสระห่อนคลายถึงได้บังเกิดขึ้นฉันจะพยายามคงรักษาใจไม่ให้หวั่นไหวราวกับเขาพระสุเมนจิตเอย๋ยทำไมเจ้าจึงปกป้องกายนี้ราวกับมันเป็นของเจ้าจริงๆแล้วมันแยกขาดออกจากเจ้า มันจะดีอะไรสำหรับเจ้าโอ้เจ้าโง่หากเจ้าไม่หลงคิดว่ารูปไม้แกะสลักนี้เป็นของเจ้าทำไมเจ้าถึงได้ปกป้องเครื่องกลอันสกรปรกที่เต็มไปด้วยปฏิกูลนี้เล่าเบื้องแรกจงใช้มีดแห่งปัญญาลอกผิวหนังมันออกแล้วเลาะเนื้อออกจากกระดูกเสีย หักกระดูกทั้งหมดแล้วมองดูไขกระดูกข้างในพิจารณาด้วยตนเองว่ามันมีแก่นแท้อะไรกันเมื่อมองหาด้วยวิธีนี้เธอจะไม่พบแก่นแท้อะไรเลยในมันแล้วอย่างนั้นลองบอกสิว่าทำไมเธอถึงปกป้องมันนักแต่อย่างไรก็ตามมันเหมาะสมแล้ว ที่ควรดูแลมันเพื่อว่าจะได้ไว้เป็นอาหารสำหรับแร้งกาและกายอันน่าเวทนานี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำงานทำการได้อยู่แม้ว่าเธอจะปกป้องมันอย่างไรความตายอันไร้ปราณีก็จะมาพัดพรากมันไปให้แร้งกากินอยู่ดีแล้วเมื่อนั้นเธอจะทำอย่างไรให้คิดว่า กายนี้เป็นดั่งเรือเพราะมันเป็นพื้นฐานแห่งการไปการมาจงใช้กายนี้ในการเคลื่อนไหวตามที่เธอต้องการเพื่ อ, อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นนี้ควรที่จะยิ้มแย้มอยู่เสมอเขาควรจะเลิกหน้านิ้วคิ้วขมวดจงเป็นคนแรกที่ยิ้มต้อนรับ และเป็นมิตรกับทั้งโลกเธอไม่ควรจะเลื่อนเก้าอี้หรืออื่นๆเสียงดังโดยไม่เกรงใจผู้อื่นเธอไม่ควรจะทุบประตูหรือปิดประตูเสียงดังแต่เธอควรยินดีในความเงียบสงบนกกระเรียนแมวและขโมยย่อมเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและซ่อนเร้น มันจึงสำเร็จประโยชน์ที่ต้องการผู้มีปัญญาควรเคลื่อนไหวในทํานองเดียวกันเธอควรน้อมรับคำแนะนำของผู้รู้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้ร้องขอด้วยความเคารพเธอควรจะสนใจเรียนรู้จากทุกๆคนและทุกๆสิ่งรอบตัวจงทำตัวให้เป็นนักเรียนอยู่เสมอ เธอควรแสดงความขอบคุณต่อคำพูดดีๆทั้งหลายและเมื่อพบใครกระทำความดีเธอควรยินดีและยกย่องสรรเสริญเธอควรกล่าวถึงคุณความดีของผู้อื่นเมื่อเขาไม่อยู่และพูดถึงอีกอยู่เสมอด้วยความพึงพอใจแต่เมื่อเขาพูดถึงความดีของเธอเองจงคิดว่ามันเป็นเพราะเขา เห็นคุณค่าของความดีเท่านั้นเธอควรพูดจาด้วยเสียงที่นุ่มนวลสุภาพและจริงใจควรใช้คำพูดที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องเข้าใจง่ายและน่าฟังระรื่นหูอันออกมาจากความเมตตากรุณาเธอควรมองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณและระลึกอยู่เสมอว่า เพราะอาศัยพวกเขาเหล่านี้เท่านั้นเราจึงจะสามารถบรรลุซึ่งพุทธภาวะได้พร อ, อันยิ่งใหญ่ย่อมบังเกิดขึ้นจากการตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาในการบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญเมตตาอยู่เสมอและการรู้จักใช้ยาแก้ที่เหมาะสมเมื่อกำลังประสบทุกข์ด้วยความเคารพในงาน เธอควรทำงานด้วยตนเองด้วยความกระตือรือร้นและมีทักษะโดยไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นทำแทนทานบารมีและบารมีอื่นๆเป็นสิ่งที่จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นทีละน้อยเธอไม่ควรสละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าเพื่อสิ่งที่ด้อยกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดจงนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก เมื่อแจ้งชัดเช่นนี้เธอควรจะภาคเพียรในการยังประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากแม้บางสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็ยังยกเว้นให้สำหรับผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาที่เล็งเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นเธอควรบริโภคแต่น้อยจงแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นที่ต้องทนทุกข์ เพราะความหิวโหวยแก่ผู้ที่ไร้ที่พึ่งและคนยากจนนอกจากผ้าจีวรสามผืนแล้วเธอควรเสียสละได้ทุกสิ่งเธอไม่ควรทรมานร่างกายที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อทำอันยิ่งนี้เพื่อประโยชน์ที่ไม่สำคัญด้วยสิ่งนี้เท่านั้นที่เธอจะทำให้ความปรารถนาของสรรพสัต เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหากความคิดเรื่องเมตตากรุณาของเธอยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเธอยังไม่ควรเสียสละชีวิตของตนเองแต่สมควรเสียสละได้เมื่อความคิดของเธอนั้นบริสุทธิ์แล้วชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามันไม่น่าควรเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เธอควรนอนไปในทิศที่สมควรในท่าสีห์สายญาติแบบการปรินิพานของพระพุทธองค์เธอควรตื่นขึ้นโดยทันทีด้วยความกระสับกระเฉงด้วยการตั้งจิตกำหนดไว้ก่อนเข้านอนข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์นั้นมากมายจนนับไม่ท้วนแต่ทั้งหมดก็เพื่อฝึกฝนจิตนี้ให้บริสุทธิ์ เธอควรขยันฝึกฝนตนเองเพื่อการค้นพบตัวตนของเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีการของตัวเธอเองหรือจากการอาศัยผู้อื่นไม่มีสิ่งใดที่บุตรแห่งพระชินสีไม่ควรเรียนรู้สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมานี้มันย่อมไม่มีสิ่งใดที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตฉันขออุทิศตนเพื่อบรรลุถึงการหลุดพ้นอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าอะไรเป็นข้อห้ามอะไรเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเธอควรนำคำสอนเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาจิตใจของผู้คนโดยสรุป การพิจารณาตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งกิริยาและสภาวะของกายและจิตอยู่เสมอนี้คือความหมายแห่งการเฝ้าระวังรักษาจิตฉันจะทุ่มเทปฏิบัติด้วยตัวฉันการอ่านเพียงอย่างเดียวจะมีประโยชน์อันใดผู้ป่วยจะได้ประโยชน์อันใดไหม แค่เพียงจากการอ่านวิธีการรักษาเท่านั้น